เราก็ได้สวดมงคลและสวดเป็นพระสูตรที่กล่าวไว้ถึงมงคลสามสิบแปดประการมงคลที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้านะำว่าเจริญก้าวหน้านี่ก็จะว่าเป็นทางโลกนะก็มีความเจริญก้าวหน้าอีกแบบหนึ่งนะในการ มีทรัพย์สินเงินทองมีทงเที่ยงเกียรติยศหรือว่ามีคนนับถือนะีะนั่นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องทางโลกที่เขามองเป็นเรื่องความเจริญก้าวหน้าแต่ในทางธรรมะเนะี่ยความเจริญก้าวหน้าเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของคุณธรรมนะมันเป็นเรื่องของการ มีปัญญานะเข้าถึงความจริงที่ที่มากขึ้นเรื่อยนะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมะเนาะเป็นเรื่องของทรรมสติปัญญาที่สามารถเข้าถึงความจริงนะแล้วก็เป็นเรื่องของการขัดเกลานะ์ขัดเกลาจิตใจนะจากเรื่องภายนอกด้วยนะจากเรื่องอุปนิสัยนิสัยต่างตนะ่ะ หรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ที่ดิ้งน้ำ ม, มันก็ช่วยปัดเกลีวจิตใจของเราไปด้วยนี่นี่คือเรื่องของความเจริญก้าวหน้าที่เป็นเรื่องที่เป็นมงคลที่ที่เราก็ต้องฝึงศึกษาเนาะเพราะว่าการที่เราได้มาอยู่วัดนะมันนอกจากที่เราจะได้มีโอกาสในการภาวนา มากขึ้นกว่าค า, ารวาละแต่จริงในในวิถีของของนักบวชเองก็ดีหรือว่าในวิถีของคนที่มาอยู่วัดก็ดีนะมันก็มีมีข้อวัดนะข้อวัดคือข้อที่ที่ควรปฏิบัตินะซึ่งมันก็จะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราได้ได้เยอะเลยนะ เช่นอย่างผมเองก็เคยไปบางที่ที่เขาค่อนข้างถือข้อวัดค่อนข้างเคร่ ง, ง, ง, ง, งครัดบางทีเราไปหนึ่งเราก็เคยอ่านในวินัยบาทีทำไมเราต้องคอยอุปถาก ค, คูบาอาจารย์เนาะอย่างเช่นคอยจัดเสนาสนะให้ล้างบาทให้ รับบาตให้ท่านหรือว่าบางทีก็ะต้องล้างเท้านะในเวลาท่านกลับมาจากบิดาบาตรล้างเท้าหรือบางโอกาสก็ต้องคอยนวดให้กับท่านนะผมก็เคยไปอยู่ที่หนึ่งแก็บางทีเราก็อาจจะยังไม่ได้สนิทใจกับครูบาอาจารย์ที่เราเพิ่งไปใหม่แต่บางทีก็เห็นพระท่าน เป็นพระที่ท่านอยู่ก่อนท่านทำาํำเราก็เลยอยากจะลองไปทําด้วยนะเกิดมาเราก็ไม่เคยล้างเท้าให้กับพ่อกับแม่ไม่เคยดูแลท่านดีขนาดนั้นแต่บางทีพอเราเออพอผูบายอาจารย์ท่านบินบำตักลับมาเราไปรอล้างบาทให้กับเออดางเท้าให้กับท่าน่นะเช็ดเท้าให้กับท่านสิ่งที่เห็นคือใจ ใจที่มันยังไม่ค่อยลงเนะใจที่มันยังไม่ค่อยลงให้กับท่านแต่มันก็คือมันทําให้เราได้เห็นว่าอ๋ออันนี้เี่คือมันเป็นตัวตนมันเป็นมานะอย่างหนึ่งนะในใจของเรานะแม้เราอาจจะยังไม่ได้เกิดความเต็มใจในการทําแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เราเห็นใจของเราที่มันยังมีความถือตัวถือตนอะไรบางอย่าง อยู่ในใจนะวันหลังก็ลองทำใหม่เออก็ก็รู้สึกเออมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นในแง่เออเราทําแล้วเราก็เห็นประโยชน์นะประโยชน์ในที่นี้คือประโยชน์ในการขัดเกลาใจของเราเองนะนี่คือข้อวัดก็เป็นก็เป็นรูปแบบที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของเราได้นะเรามองว่ามันเป็นประโยชน์นะไมไม่ใช่มองเป็นเรื่อง คนบธรรมเนียมที่ที่เป็นเรื่องโบราณหรือเป็นเรื่องที่มันมากเกินไปหรือเปล่านอ้อถ้าเราใช้ใช้ความคิดใช้ปัญญามากเกินไปเนี่ยปัญญาบบทางโลกนะเราอาจจะมองแบบนั้นได้แต่ถ้าคนที่มีปัญญาในทางธรรมมันจะมองอะไรเออถ้าันเป็นเรื่องการขัดเกลเนี่ยขัดเกลจิตใจให้มัน บริสุทธิ์หรือว่าสะอาดขึ้นนะมันทำให้นะตัวตนนะภาษานะอิกโคก น, นะมันลดลงหรือว่าทำให้มันรู้สึกก่อนน้อมทำตนลงการได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราได้ประโยชน์มากๆานกะเราได้ประโยชน์กับตัวเราเองนะส่วนที่จริงครูบาอาจารย์ท่านคงไม่ได้นะไม่ได้ติดว่าต้องมีคนอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับท่านหรอก แต่แต่ก็เป็นข้อวัดที่เราได้ทำกับครูบาอาจารย์แล้วเราก็ เ, เราได้เราได้ประโยชน์เราได้ลดตัวตนของเราจะพูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้พวกท่านมาทำกับผมนะพูดที่ใจว่าเรามีประสบการณ์ที่พอได้ทำแล้วมันกม็มันได้เห็นตัวตนนะใน ห, หลายอย่างนะเพราะว่าบางทีการปฏิบททัตนะิธรรมเนี่ย บางทีสมัยใหม่เนาะบางทีการปฏิบัติธรรมมันมันแพร่หลายด้วยรูปแบบรูปแบบการการภาวนานะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมหรือว่าการยกมือตั้งจังหวะเราไปชูเน้นที่ที่ตัวรูปแบบการการปฏิบัติธรรมเป็นหละนะักแต่บางทีคนสมัยใหม่ แต่ะละเลยพวกข้อวัดหรือว่านิสัยบางอย่างที่มันก็เป็นช่วยเป็นตัวช่วยในการขัดเกลา่ยตัวเราลงไปด้วยถ้าเรามองดูดีๆนะทุกเรื่องนั่นแหละคือเรื่องการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นไม่ว่าเราจะทำในรูปแบบซึ่งมันก็ช่วยให้เราเห็นเห็นจิตเห็นใจเห็นร่างกาย ชัดขึ้นนะมันก็ช่วยในเรื่องข้อวัดปฏิบัติพวกนี้แหละมันทำให้เรารู้จักลดนะลดตัวตนลงไปนะหรือว่าทำให้เรามันรู้สึกบางทีบางอย่างทำก็ขัดใจนะแต่การขัดใจถ้ามันเป็นการขัดกิเลสออกไปจากใจเนะี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะเป็นสิ่งที่ ที่เราก็ต้องึกศึกษานะหรือในหลายที่เนะี่ยที่เขาบางทีอย่างสายหนองปอบพงก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีในหลา ย, ลา ย, ลายเรื่อ ง, องเช่นทําไมกว่าจะบวชได้นี่มันยากนะนะต้องเป็นพักขาวนะก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้กำหนดของแต่ละคนจะนานเท่าไรเป็นพักขาวคือเหมือนมาอยู่วัดเนาะมาพงผมนุ่งขาวนะเตรียมตัวขอบวช แต่ก็ให้ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาดูว่าตอนไหนจะได้บวชนะบางคนก็อยู่เป็นปีสองปนะีหกเดือนอะไรก็แล้วแต่คนก็บวชบาง ท, ทีก็ไม่ใช่บวชพระเลยบางทีก็ให้บวชเนรก่อนนะปีสองปีแล้วค่อยบวชพะระคือให้ท่านก็ให้ดูนิสัยไปก่อนเพราะว่าไม่ใช่ว่า บวชเป็นพระแล้วถึงถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะหรือว่าหรือว่าเป็นการที่เราได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ที่จริงในขั้นตอนพวกนั้นนะมันมีมันมีความหมายมันมีสาระอยู่ในตัวของเขาเองเช่นทำไมตัดถึงให้ต้องอยู่นานนะอย่างสายหนบุพภงโดยเฉพาะชาวต่างชาติถ้าจะมาบวชนี่จะอาจจะอยู่นานเป็นพิเศษนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ า, วามันก็มีความเคยชินนะจะดิบนิสัยบางอย่างแบบที่ที่แบบเช่นพระดังอะไรนี้เนาะมันก็อาจจะไม่เคยนับถือไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้นับถือพูดมาก่อนหรือว่าไม่ได้รู้จักข้อวัตรปฏิบัติบางอย่างที่ที่มันเป็นวัฒนธรรมของพูดที่มันแทรกซึมเข้าไปในวัฒนธรรมของชาติแบบเนี้ย บางทีอีโก้นะหรือว่าตัวตนมันก็มันก็เยอะมาด้วยมันก็คัดขัดเก่าตั้งแต่ตอนนี่แหละตั้งแต่ตอนยังเป็นภาคขาวเนะ่ให้ได้ทําสิ่งที่ไม่เคยทําเนะเช่นฝรั่งนะเรื่องความกระตันญูเรื่องความอ่อน น, อน้อมผอมตนเรื่องอะไรต่างๆบางทีเขาก็จะไม่ค่อยได้ได้ศึกษาหรือว่าได้กระทํากันเนาะ ก็จะใช้เรื่องสติปัญญาเรื่องใช้เหตุใช้ผลอะไรเป็นหนักนะแต่พอเป็นภาคขาวเองก็ต้องเช่นอุปถา ค, คุบาอาจารย์นะหรือว่าทำนั่นทำนี่นะมันก็เป็นการค่อยๆลดตัวตนให้ให้แบบให้ได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนรู้นะไม่ใช่แค่การฟังธรรมนะแต่ได ในรู้ในข้อวัดปฏิบัติที่พึงทำนะแล้วก็ได้ทำนะลงไปเยอะๆด้วยหรือถ้าคนที่มีอายุพอสมควรนะมาถึงอายุมากๆห้าสิบหกสิบปีะไรแบนะี้เป็นต้นไปถ้าอยากจะบวชเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านยิ่งแบบต้องแบบให้เป็นพักขาวค่อนข้างนานนะเพราะว่าจดินิสัยที่สะสมมาจากทางโลกนะบางที หสิบหกสิบปีเนี่ยมันพ่อคุณตัวตนหรือว่าทิฏฐิมานะเยอะยการที่แบบให้บวชยากเนเพราะว่าเนี่ยต้องการที่จะขัดเก่าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เป็นพ้าขาวหรือเป็นสามเณรเนี่ยแหละให้มันให้มันดีขึ้นเพราะว่าอะไรปัญหาที่เห็นบางทีนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนทุกรูปเนี่ยแต่บางที หลายคนพอบวชมาแล้วนะมันกลายเป็น ถ, ถือความคิดว่าเราก็ศีลเท่ากันนะั่นแหละสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเท่ากันนะั่นแหละมันก็เลยไม่ค่อยเคารพกันนะแต่ตอนที่ศีลตามกว่าก็อาจจะมีความเก่งอกเก่งใจหรือเคารพมากกว่าตอนนั้นก็อาจจะทําให้เกิดการสอนขัดเก้ารจิตใจได้ได้ดีกว่า แต่พอบวชมาแล้วบางคนก็ถือถือมานะนะว่าเราก็เสมอกันนั่นแหละเนะี่ยบวชมาแล้วก็ถือฟินเหมือนกันนะี่ยก็มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันก็เลยที่ก็เคยขาดความสำรวมระหว่างหรือว่าขาดความเอาใจใส่เรื่องข้อวัดหรือแม้แต่คารวะบางคนอย่างเข้ามาก็เคยได้ยินนะเขาเขมาพูดบางที เขามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเนะก็ถือศีนแปดเหมือนกับแม่ชีนะะั่นแหละบางทีก็อยากจะตักอาหารก่อนแม่ชีนะบางทีก็ไม่อยากจะเขาลกแม่ชีที่นิสัยเขารู้สึกว่านิสัยไม่น่าเขาลกเลยนะเขารู้สึกว่าเออศีนของเขาก็มีเท่ากันเขาก็ถือศีนแปดเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ โนลหัวเหมือนกับแม่ชีนะแต่ก็คือการพูดแบบนี้ก็คือว่าเหมือนเหมือนรู้สึกว่าตัวเองก็แน่ตัวเองก็ดีกว่าเขานะแต่บางทีมันก็ความแน่ของเรานะความรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าเขาเนี่ยมันก็มันก็เลยทำให้เกิดบางอย่างที่ไม่สวยงามเช่นเมื่อไม่สนตรงนี้ก็พอเราจะตักอาหารก็ ไม่ได้สนว่าต้องรอแม่คีไปตักก่อนก็ไปตักก่อนเลยเลยเนะก็ก็<ๆ>เกิดความเกิดการตำหนิติดเตือนลงไปบ้างแต่ตอนหลังก็เขาก็ได้เห็นว่าเออไอพวกนั้นเป็นมานะของเราเองเนาะมานณะของเราที่ที่เราหลงตัวนะลืมตนไปทําแบบนั้นบางทีไอพวกสมมุติเนะี่ยสมมุติ สมมติทางโลกที่ที่ที่ประกอบด้วยธรรมนะมันก็จะช่วยขัดต่อจิตใจของเราไปได้เยอะนะมันกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติทังนี้นมันมันมีเนื้อหาสาระของธรรมะเข้าไปแทรกเยอะมากนะถ้าเราใช้เชสติใช้ปัญญานะในการปฏิบัติแล้วก็ใช้ การสังเกตดูตัวเราอะทําไปแล้วมันช่วยขัดเก่าจิตใจอย่างไรบ้างเนี่ยมันจะมันจะเห็นประโยชน์มากนะในข้อวัดปฏิบัติหลายๆที่นะอย่างในประเทณีของไทยก็มีหลายๆอย่างนะที่น่าสนใจอย่างเช่นเบางทีเดือนไทยส่วนใหญ่เนาะมันก็จะมีเรียกว่าเหมือนจะเข้าประตูเนะี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า ตรงที่ข้างล่างนะมันคล้ายๆมันก็ยกสูงขึ้นมาเล็หน่อยไม่ใช่แบบเรียบเสมอเลยมันก็เป็นการช่วยทําให้เหมือนเราจะเข้าประตูเราต้องระวังนะต้องยกเท้าขึ้นไม่ใช่เดินเดินเข้าไปทันทีเลยถ้าเดินเข้าไปทีละสะดุดแล้วก็ลม้มนะเรียกว่าเป็นทรณีประตูนะอืมเมือนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีทรณีประตูที่จริงก็คืออะไร ให้คนได้เกิดความสำนวมระวังนะหรือประตูบังทีนะ่เขาก็จะไม่ทำสูงมากนะก็จะทำแบบต่ำๆนะไม่สูงท่วมหัวเรานะเหมือนเราจะเข้าไปเราต้องโค้งหนะก้มลงไปนะัก้มลงไปสักหน่อยแล้วก็แล้วก็เข้าไปนะที่จริงเขาก็คือสอนให้เราเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนลงไปนี่นแหละนะ จะเข้าไปก็ต้องระวัาางแล้วก็โค้งเข้าไปนะมีบางคนก็เคยพูดนะเคยพูดว่าบางทีอย่างมาวัดเช่นมาวัดเรานะเช่นวัดป่าสุขโต ร, รู้สึกว่าตัวไม่รีบนะเวลาเข้าวัดแล้วตัวไม่รีบนะรีบรอลิงเนี่ยนะก็มองอีกในหนึ่งก็ได้ว่าครูบาอาจารย์ท่านท่านามีเมตตา ท่านมีเมตตาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องมีพิธีดีตอมมากก็รู้สึกว่าสบายๆออกมาตรวจไม่รีบแบบนั้นก็ได้แต่ถ้ามองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะประมาณว่าเราก็มีตัวตนเยอะเข้ามาใหญ่เข้ามาด้วยนะไม่อยากที่จะลดตัวตนตัวเองลงอนะ่ ก็รู้สึกว่าที่นี่เหมือนคล้ายๆถ้าเป็นประตูนะก็เหมือนเป็นประตูที่กว้างนะเราไม่ต้องก้มไม่ต้องห่อตัวลงมาก็เข้าได้สบายมันก็เป็นการมองได้ในหลายมุมนะถ้าเรามองด้วยมุมที่เออผู้บัญชาเหนือข้อวัดแบบสบายๆเออมันก็มันก็ดีนะถ้าเราน้อมเอากิริยาของท่านมาใช้กับตัวเราด้วย นี้มันก็เป็นเรื่องดีแต่บางทีถ้าเราก็ตัวเราไม่รีบเพราะเราไม่อยากจะรีบตัวเองให้มันลงหรือว่าไม่อยากจะลดออัตตามาณลงเนี่ยมันก็มันก็มันก็เป็นการขัดเก่าที่มันไม่ไม่ได้ทุกด้านนะมันไม่ได้างา น, นขัดเก่าทุกด้านอันนี้พูดในแง่ในเชิง เมื่อได้ยินแล้วก็เกิดการสะท้อนในใจว่าเออบางอย่างมันก็มันมีหลายด้านเนาะที่เราต้องต้องสำรวมระวัง เ, ออเพราะว่าบางทีนักปฏิบัติธรรมรุ่นใหม่บางทีหรือคนที่เรียนทางโลกสูงๆหรือว่ามีวัฒนธรรมที่ออแบบสมัยใหม่นะบางทีเรื่องข้อวัด เรื่องกิิยามารยาทอะไรบางอย่างมันจะเคยชินในในรูปแบบเดิมๆนะแต่พอมาอยู่วัดหลายคนก็สนใจศึกษาธรรมะนะสนใจปฏิบัติธรรมนะนะแต่ไม่ได้สนใจเรื่องข้อวัดนะหรือว่าไม่ได้สนใจเรื่องกิิยา อ, อาการ ใ, ใดที่เราจะ จะต้องศึกษาเมื่อเรามาอยู่วัดมามาบวชหรือว่ามาอยู่วัดแล้วนะมันก็เลยเหมือนศึกษาแค่แค่ครึ่งเดียวนะแต่อีกครึ่งเดียวเราทิ้งแต่มองในมุมหนึ่งมันก็ข้อดีของมันก็มีนะข้อดีของมันคือไม่ติดในพิธีกรรมไม่ติดในรูปแบบอะไรมากนะมันก็มองในแง่นั้นคือ มุ่งเป้าที่การปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็คือเช่ น, นการปฏิบัติธรรมในรูปแบบนะมุ่งเป้าไปตรงนั้นแต่บางคนที่ติดพิธีรีตองอะไรมากก็บางทีก็ไม่ค่อยจะปฏิบัติในรูปแบบหรอกก็ไปสนใจนสนใจการทำทานต้องตามนิษฐ์สนใจองเมื่อรักษาเมื่อมาอยู่วัดต้องขอสิน ขอสินห้าขอสินแปดต้องนุ่มขาวหอมขาวอะไรเนะี้ยหรือเมื่อมาบวชแล้วก็ต้องอทำแบบนั้นแบบนี้นะไปดูไปสนใจแค่ภายนอกนะไม่ได้สนใจที่รูปแบบปฏิบัติเพื่ออะไรก็มีนะหรือว่าคิดว่าตัวเองทำแบบนี้ก็พอมันก็มีทั้งพูดแบบนี้ก็คือมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะอยู่ใน ในตัวของมันเองที่จริงก็ไม่ใช่เรียกข้อเสียนะมันก็เป็นข้อดีแล้วก็อาจจะเป็นข้อที่อ่อนนะถ้าเราถ้าเราไม่สํารวมระวังนะมันก็แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะทาทั้งสองส่วนคู่กันไปเนะี่ยมันจะดีมากนะทั้งการปฏิบัติธรรมนะที่เราปฏิบัติในรูปแบบก็ดีหรือว่าข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมันก็ช่วยให้เรา ได้เห็นตัวเองได้ขัดเกลาตัวเองเยอะนะเมื่อเราอย่างเช่นการกราบนะอืเราก็กราบเมื่อเรากราบพระด้วยความตั้งใจกราบจริงจรเหมือนนะี้ใจเราก็มีความอ่อนน้อมท่อมตนแ ล, ล้วถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงจรนะิงกิริยาอาการของเรามันก็เป็นการกราบจริงจรนะิงหรือเราเป็นคาราวาสนะ เวลากราบพระเวลาเราไหว้พระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือพระพระสมรือการพูดคุยเราก็มี อ, อมีมารยาทที่ถูกตาม เ, ออเรียกว่าตามสมมุติที่สมมุติของความเป็นพระความเป็นโยมอะไรแบบนะี้แล้วก็ทําช่วยเราขัดเกลื่อตัวเองนะเออ ก็เห็นว่าเอ้เราก็ยังติด เ, เรื่องพวกนี้อยู่หรือเปล่าเราอยากปฏิวัติธรรมแต่เราอาจจะไม่อยากละตัวตนบางอย่างที่เราเป็นหรือเปล่าเราก็ต้องดูมันเหมือนมันเหมือนบางทีมันก็ทำไมพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาเลยดีนะทำไมท่านต้องบาเพ็ญบา ร, รมีนี่สี่อสองฺฆ ไขแสนมหากรัปนะหรือว่าถ้าจะย่อยๆก็อย่างบารมีสิบทัศนนะทานบารมีศิลบารมีวิริยะบารมีนะหรือว่าเนคขมะบารมีนะสติปัญญาหลายๆอย่างนะบารมีสิบทัตเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเมื่อการปฏิบัติอะบางทีมันต้องอาศัยหลายๆอย่างมันหนุนกันนะ มันหนุนมันเกือ้อกูลกันเนีย่ยเช่นทางทีนักปฏิบัติธรรมบางคนนะพอปฏิบัติธรรมจุดหนึ่งบางคนก็เดิดไปนะเช่นปฏิบัติเราได้อารมณนะ์อารมณ์ปฏิบัติสามารถแยกรูปแยกนามได้ได้มันเกิดวิปลาสขึ้นมาวิปลาสคือความคล้าย เกิดความรู้สึกที่มันมากกว่าปกติเนาะหรือว่าผิดปกติไปนะเช่นเวลาดีใจก็ดีใจมากนะดีใจเพราะความสุขที่ไดนะ้เวลามันรู้อะไรมันก็รู้มากนะรู้แล้วก็เรียกว่าลืมตัวนะลืมตัวดืม ต, มตนนะก็บางคนก็คิดว่าตัเองแน่คี่ว่าตัเองเก่งแล้วนะ ก็อยากจะไปสอนสอนครูบาอาจารย์นะมไม่อยากจะกราบไหว้ครูบาอาจารย์เราคิดว่าตัวเองเก่งกว่าท่านแล้วหรือว่าตัวเองเสมอท่านแล้วอะไรน่ก็หลงไปไปแบบนั้นแต่บางคนถ้าก่อนหน้านั้นก็ยังมีความยังมีรูปแบบยัมีความเคารพนับถือกันว่าเอออันนี้ท่านเป็นครูบาอาจารย์เนาะท่านเป็น ท่านเป็นพระสงฆ์นะอะไรเนะี่ยเราเองเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีคุณธรรมเท่าท่านหรือสูงกว่าท่านก็จริงแต่โดยข้อวัดในรูปแบบแล้วเราก็ทำแบบนั้นมันก็ไม่ถูกเนาะมันนี้ถ้าถ้ามีสติ ม, มันจะเป็นการเตือนตัวเองแต่ถ้าขาดสติบางทีมันก็มันก็ยากําไมสมัยก่อนนะถ้าเรามองดีดีบางทีมันก็ดีนะเช่น เมก่อนบางทีการจะเรียนกรรมฐานต้องมีการขอกรรมฐานจากครูบาอาจารย์ต้องมีพิธีมีพิธีดีตองเช่นมีขันห้าขันแปดมาถวายครูบาอาจารย์ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์เพราะ่ อ, อะไรเวลาปฏิบัติธรรมแล้วมันถ้ามันเกิดวิปราชวิปัปสนาขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะระลึกได้ว่าเออ ถาอาจารย์คนนี้นะเตือนเขาก็จะจ ะ, จะฟังมากกว่าคนอื่นนประมาณว่ามันจะได้แบบคอยเตือนสติได้บ้างเพราะบางทีปฏิบัติต่มันเกิดเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้ครูบาอาจารย์คอยคอยเตือนนี่นมันก็จะช่วยได้เยอะนแต่นั้นก็เป็นแต่บางคนก็มองเป็นเรื่อง รูปแบบพิธีกรรมมันก็อาจจะไม่ได้สาระประโยชน์แต่ตัวตัวเนื้อหาสาระประโยชน์มันก็จะช่วยช่วยเตือนเราได้เยอะอยู่ทีเราก็ต้องเอามองให้เห็นคุณประโยชน์แต่หลายอย่างหรือแม้แต่การทาการทำงานก็กดีนะงานบางอย่างเนี่ยบางทีเป็นเรื่องเป็นเรื่องเหมือนดูเป็นงาน งานตำตำอะไรแบบนี้เนาะงานกวาดพื้นถูพื้นงานขุดดินงานอะไรต่างๆบางคนไม่จับไม้กวาดไม่จับไม้ถูไม่จับจอบจับเสียมก็มีเพราะว่ามาวัดบางทีล็มาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวมาเดินจงกรมมายกมือข้างจังหวะ ไม่ล้างจมล้างจาอนอะแต่นี้พูดถึงคนทั่ ว, วไปนะแต่บางทีก็การทำพวกนี้นมันทาเป็นการลดตัวตนของเราเราไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเคยบางทีมันก็คือความสะดวกสบายความเคยชินบางอย่างที่เราเราไม่เคยทำนะเราก็ไม่อยากจะทำหรือเรามองว่าเป็นงานที่ เราบางคนเรียนมาสูงนหรือมีตำแหน่งหน้าที่เคยสูงก็คิดว่าตัวเองใช้งานความคิดมีท่าผล ง, งานที่ใช้แรงงานอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงแรงในการทําอะไรนผลจะจะลงความคิดเวลามีเรื่องความคิดเสนอก็ไอเดียจะกระชูดแต่เวลาลงแรงจริงๆอาจจะไม่ค่อยลง ให้ความคิดอันนี้พูดถึงบางคนที่ที่แบบติดกับเรื่องพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่พวกเราที่นี่หรอกนะก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเรามองดีอ่ะมันมันก็เป็นการขาดบางอย่างนะขาดความตระหนักในบางบางอย่างของเราเองผมได้สังเกตได้ตอนบวชใหม่ใหนะเคยไป ต้องไปแบบมันท่อมันตันนะเราต้องเอาไม้แย่ต้องเอามือร่วงนะบางทีก็มีอุจจาระมีอะไรสิ่งสกรปรกที่มันเราต้องจับต้องอะไรนะมันเห็นเลยว่าเอันนั้นมันเกิดจิตมันคิดวนะ่าโอ้อะไรเรามาบวชทําไมต้องมาทําแบบนี้ด้วยเนะประมาณวนะ่าเราบวชเราเรียนจบปัญญาตีมานนะทําไมต้องมาอ่ มาตักซ่วมมาเอามือมาล้วงนี่ยเอาสิ่งที่มันตันออกไปอยากซ่วมออกไปด้วยมันเห็นเลยว่างานแบบนี้เราไม่อยากทำํำนะเราไม่อยากทําแต่คือแต่ตอนนั้นมันก็เป็นปัญหาเป็นความจําเป็นแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันทำํำแบบนี้ยแต่มันก็เห็นว่าเอออันเนี้ยตัวตนของเราบางทีมั น, มนพอมันไม่อยากทํามันก็มีเหตุผลเหตุผลว่าเราเรียนสูงนะเหตุผลว่าเรา อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็มันก็เห็นนะอหรือบางทีการกวาดลานวัดกันอะไรนะ ม, มันเหมือนเป็นงานที่แบบไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้อะไรสักเท่าไหร่นะแต่ทําไมต้องทําเป็นประจําด้วยนะแต่จริงถ้าเราเห็นจริงจริงโอ้เราถ้าเราเอาสติไปใช้ในการกวาดนะจังหวะในการกวาดเนี่ยกวาดจังหวะในการปัดแต่ละทีเนะี่ย มันมันได้มันได้ความรู้สึกตัวก็ไปประกอบได้เยอะเลยนะมันไม่ใช่แค่กวาดใบไม้ให้มันหมดออกไปจากวัดนะแต่เราได้ฝึกสติในการใช้ชีวิตนะจังหวะการกวาดนะรูปแบบการกวาดต่างตาเนะี่ยมันสอนมันสอนตัวเองไปในตนนไปในตัวด้วยมันไม่ใช่แค่แค่ทาให้มันเสร็จนะ บางทีเราเองก็ต้องตันหนักบางทีเราทำงานก็อย่าอย่าวางให้มันเสร็จนแบบรีบร้อนมีหลายคนเคยเคยพูดกับอาจาร์มานะบางทีเช่นแบบอยากจะเช่นทำครัวนะเขาเขาก็ไม่อยากจะช่วยงานครัวเท่าไหร่แต่ต้องไปช่วยด้วยอาจจะโดยรู้สึกว่ามันเป็น โดนไซโคมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็ไปช่วยนะแต่ก็ช่วยแบบอยากให้มันเสร็จเร็วๆ เ, เสร็จเร็วๆแล้วจะไปทำอะไรก็จะได้ไปก็จะได้ไปเดินจงกรมก็จะได้ไปปฏิบัติธรรมที่ทีประมาณนะั้นแต่ก็คือประเด็นคือลืมตอนว่าถ้าทําครัวยังมีสติลนะ้างจานยังมีสติหั่นผักบอกคนมากายังมีสติ อันนั้นก็คือปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวแล้วนะแต่บางทีเราดื่มเราคิดคิดว่าไอ้แบบนั้นคือมันเรื่องการทํางานนะมันไม่คิดเรื่องการปฏิบัติธรรมเราก็เลยรีบรีบล้างจานรีบหั่นผักรีบรีบออกผ ล, ลไม้นะรีบทําให้มันเสร็จเนะพื่อเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมในรูปแบบอันนี้คือ บางคนก็ไปคิดอย่างนั้นว่าอันนั้นคือเรื่องเสียเวลานะหรือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรามองดีๆนะงานการเนี่ยเราทำด้วยความมีสติอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมงานจะไม่เสร็จแต่เราก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วงานการเสร็จแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่อนั่นแหะ อ ม, มันก็ได้หรือข้อวัดทุกอย่างอะไรนะอย่างที่ว่าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมนะคือการลดตัวตนนะขัดเก่ากิเลสความเคยชินของเราหลายๆอย่างลงไปนะหรือข้อวัดปฏิบัติอะไรบางอย่างที่มันเรารู้สึกมันขัดใจ น, นะนะรู้นะว่ามันดี รู้ว่าเราควรจะต้องทำนั่นแหละแต่ก็ไม่อยากทำเพราะว่ามันรู้สึกไม่คินหรือว่ารู้สึกว่าไม่อยากกระอั น, นี่แสดงว่าเราโดนเหตุผลของกิเลสเขาหลอกแล้วแต่ถ้าเรามองในแง่ดีมองได้การขัดเกลพัฒนาตนนะให้เราได้มีชีวิตที่จะเดินงอกงามขึ้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยช่วยเราหมดเลย ช่วยเราหมดเลยนะต้องต้องดูดูแล้วก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ดีนะเราเราเอามาสะท้อนดูนะถ้ามันกิเลสมันไม่ลดตัวตนมันไม่ละเหมันนี่นะมันก็แสดงว่ามันยังเรายังปฏิบัติธรรมไม่ได้ดีหรือว่าเรายังมองข้ามเรื่องบางอย่างในการปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าเราเห็นว่า ทุกๆอยางมันมีมันมีคุณค่ามันมีความหมายนะอยู่ในนั้นที่จะสามารถช่วยการขัดเกลากิลเลสจิตใจในจิตใจของเราได้เนี่ยเราก็น้อมเข้ามานะน้อมเข้ามาปฏิบัตินะแล้วก็น้อมเข้ามานะขัดเกลาใจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ที่ดีงามหรือว่าเจริญก้าวหน้านะ ในทางทำนะมากขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยเนาะก็ก็ฝากไว้นะชาวันนี้